รตัตไรปิดกจะ บ, บประชาชนเล่มที่ส4บสีพระสูตรที่สี่สามคามาสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดในหมู่บ้านชื่อสามะพระผู้มีพระภาคประทับณสามคามแขวนสัต ก, กะครั้งนั้นนิครนทนาตบุตรถึงแก่กรรมในกรุงปาวาแล้วไม่นานสาวกก็แตกกันทะเลาะวิวาทกันพระจุนทะเข้าไปหาพระอานนน